วันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกันปฏิบัติภารกิจของพระพุทธศาสนากันอีกครั้งหนึ่งภารกิจของพระพุทธศาสนานี้คืออะไรก็คือกิจในอริยสัจสี่กิจในอริยาาสัจสี่นี้เป็นกิจที่จะทําให้ผู้ปฏิบัติ ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกเป็นกิจที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญเป็นกิจที่พระอรหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญกันหลังจากที่ท่านได้บรรลุผลอนระเริดที่เกิดจากการ ปฏิบัติภารกิจในอริยสัจสี่แล้วท่านก็ได้นําเอาภารกิจในอริยสัจสี่นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีความปรารถนาที่จะต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้นําเอาไปปฏิบัติกันกิจในอริยสัจสี่นี้ มีอะไรบ้างก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกันคือหนึ่งทุกต้องกำหนดรู้ต้องศึกษาต้องจำไว้ให้แน่นสองสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์ต้องละสา ดิโรธความดับของทุกข์ต้องทำให้แจ้ง 4. มักเครื่องมือที่จะใช้ในการดับความทุกข์ต้องเจริญให้สมบูรณ์นี่คือภารกิจสี่ข้อด้วยกันที่พระพุทธเจ้า ได้ส่งค้นพบด้วยพระ อ, องค์เองและได้ส่งปฏิบัติจนทำให้พระ อ, องค์สามารถดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในพระทัยของพระ อ, องค์ให้หมดสิ้นไปได้ดังที่ได้ส่งตรัสไว้ว่าทุกที่ต้องศึกษาที่ต้องกำหนดรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อน ตถาคตได้กำหนดรู้แล้วได้ศึกษาแล้วด้วยตนเองข้อที่สองสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ที่ต้องละที่ไม่มีใครรู้มาก่อนตถาคตได้ละแล้วด้วยตนเองสามนิโรธความดับของทุกข์ ที่ต้องทำให้แจ้งที่ไม่มีใครรู้มาก่อนตถาคตได้ทำให้แจ้งแล้วด้วยตัวเองสมรรคที่ต้องเจริญให้สมบูรณ์ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนตถาคตก็ได้เจริญอย่างสมบูรณ์แล้วด้วยตัวเองนี่คือ ภารกิจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญที่ได้ทําให้พระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทธัตถะสัมมาโคต ม, ะโ ค, ม, ม, มะโคดมสัมมาโคดมได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็นําเอาภารกิจทั้งสประการนี้มาเผยแพ่สั่งสอน ให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้ที่น้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ก็ได้บรรลุเป็นพระอารานตสาวกันขึ้นมาเป็นจานวนมากมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการมาจนถึงปัจจุบันนี้ภา ร, รกิจในอริยสัจสีนี้ก็ยังมี ประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเหมือนในสมัยพระพุทธการคือผู้ใดสามารถปฏิบัติภารกิจในอริยสัจสีได้ก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดขึ้นอยู่กับพระอรหันตสามุกไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลา ว่าจะต้องเป็นในยุคของพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธการเท่านั้นถึงจะสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งสี่ประการนี้ได้ภารกิจทั้งสี่ประการนี้สามารถปฏิบัติได้ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือปัจจุบันหรืออนาคตที่จะตามมาต่อไป เพราะเป็นเรื่องของอาการิโกรเรื่องของความทุกข์เรื่องของการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์นี้ไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาเพราะมีอยู่ภายในหัวใจของสัตว์โลกทั้งหมดสัตว์โลกที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะต้องปฏิบัติภารกิจ ในอริยาาสัจสี่นี้ให้ครบสมบูรณ์ดังนั้นพวกเราก็ควรที่จะมาศึกษาเพื่อจะได้รู้จักว่าการปฏิบัติภารกิจทั้งสี่ประการนี้ปฏิบัติอย่างไรข้อที่หนึ่งที่ทรงสอนว่าทุก์ต้องกำหนดรู้ต้องศึกษาก็คือให้เรารู้ว่าทุกคืออะไร แล้วก็ไม่ให้เราลืมให้เราจำฝังอยู่ในหัวใจของเราเพื่อเราจะได้ไม่เดินเข้าหาความทุกข์นั่นเองตอนนี้พวกเราลืมกันลืมกันว่าทุกข์เป็นอะไรไม่รู้ว่าทุกข์เป็นอะไรเราจึงมักเดินเข้าหาความทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัวมารู้สึกตัวก็สายไปเสียแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้ว ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ใหม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตเราก็ต้องศึกษาว่าความทุกข์นี้คืออะไรเหมือนกับเราเดินไปตกหลุมตกบอ่อเราก็ต้องจำไว้ว่าเวลาเราเดินมาตรงนี้ตรงนี้มีหลุมมีบอ่อเราต้องอย่าลืมพอมาถึงตรงจุดที่มีหลุมมีบอ่อ เราจะได้หลบได้หลีกได้ไม่เดินลงไปในหลุมในบอ่อนี่คือความหมายของควาว่าทุกต้องกำหนดรู้ต้องศึกษาคือทุกแล้วต้องจาเวลาเราเจอความทุกข์แล้วเราต้องจาจาไว้ให้แม่นจาไว้ให้อย่าอย่าให้ลืมเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทำซ้ำซ้อนอีกอย่าให้เป็นให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ารอย ถ้าเราศึกษาดีแล้วเราจำได้แล้วเราก็จะไม่กลับไปทำซ้ำซ้ำอีกซ้ำใหม่อีกไม่ต้องไปทุกข์ใหม่อีกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือการเกิดเพราะว่าเวลาเกิดมาแล้วนี่จะต้องพบกับความแก่นันเพบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยพบกับความตาย ดังนั้นเราต้องจาไว้ให้ดีว่าถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราอยากเราอยากเกิดเพราะการเกิดนี้ทุกครั้งที่เกิดแล้วจะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายทุกครั้งที่เราเดินตกหลุมตกบอก่อขาแข้งเราจะต้องเจ็บขาแข้งเราจะต้องหักถ้าเราไม่อยากจะให้ขาแข้งเราเจ็บขาแข้งเราหักเราอยาเดินตกหลุมตกบอก่อเราต้องมีหูมีตาคอย สังเกตคอยดูทางที่เราเดินอย่าไปเดินตกหลุมตกบ่อแล้วขาแข้งของเราจะไม่เจ็บจะไม่หักเช่นเดียวกันกับการเกิดขอให้เราจำไว้ให้ดีว่าการเกิดนี้เป็นความทุกข์เพราะเมื่อเกิดมาแล้วเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บเราจะต้องตายกันนอกจากแก่เจ็บตายแล้วเราก็ยังต้องพัดพรากจากกัน พัดภาคจากบุคคลพัดภาคจากเหตุการณ์ที่เราพัดภาคจากสิ่งของที่เรารักที่เราชอบเวลาเราต้องพัดภาคจากบุคคลจากสิ่งของจากเหตุการณ์ที่เรารักที่เราชอบเรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกสุขหรือรู้สึกทุกข์กันนี่ก็คือผลที่จะตามมาที่เกิดจากการมาเกิด นอกจากนั้นก็ยังต้องมาเจอกับสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอพบกับคนที่เราไม่อยากจะพบเจอกับเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะเจออันนี้ก็เป็นความทุกข์เหมือนกันที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนที่มาเกิดในโลกนี้มีใครสามารถปฏิเสธความจริง น, นี้ได้บ้างว่าเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ไม่พัดภาคจากบุคคลจากสิ่งของที่รักไม่ต้องเจอกับบุคคลเจอกับสิ่งของที่ไม่รักที่ไม่ชอบไม่มีทุกคนจะต้องเจอกันทั้งนั้นและโดยสรุปพระพุทธเจ้าก็สรุปว่าทุกข์ก็คืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันหานี้เองขันห้าคืออะไรก็คือ ชีวิตจิตใจของพวกเร า, เ ร, าร่างกายร่างกายกับจิตใจร่างกายเรียกว่ารูปประคันจิตใจก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาคือความรู้สึกสัญญาคือการจําได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสปุพะและธรรมารมณ์ นี่คือความยึด ต, ติดอยู่ในฐันห้าว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพอเกิดความยึด ต, ติดว่าเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะอะไรอันนี้ก็นำมาสู่ภารกิจข้อที่สองภารกิจข้อที่สองทรงตัดว่าสมุทัยต้องละ สมุทัยคือต้นเหตุของความทุกข์เราต้องละคือต้องหยุดมันเหมือนกับไฟที่เราจุดกองไฟที่เราจุดไว้ถ้าเราอยากจะให้ไฟในกองนั้นดับเราก็ต้องเอาฝืนออกเอาเชื้อไฟออกหรืออย่างน้อยก็ไม่ไม่เติมเชื้อไฟเข้าไปใหม่ถ้าเชื้อไฟ ที่อยู่ในกองไฟนั้นเอาออกไม่ได้ก็ปล่อยให้มันไหม้ไปเดี๋ยวมันก็หมดไปแต่อย่าเติมเชื้อไฟเข้าไปใหม่คือให้ละเชื้อต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์คืออะไรพระองค์ก็ทรงแสดงไว้ว่ามีอยู่สามประการด้วยกันคือกามะตัณหาความอยากในกามคุณห้าภาวะตัณหา ความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือต้นเหตุของความทุกข์หรือเหตุของความทุกข์เชื้อของไฟถ้าไฟไม่มีเชื้อไฟก็จะต้องดับไปถ้ายังเติมเชื้อให้เข้าไปในกองไฟอยู่เรื่อยๆไฟก็จะไม่มีความดับ ความทุกข์ใจของพวกเราก็เช่นเดียวกันความทุกข์ใจเกิดจากความอยากอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็ต้องไปเกิดเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายนี้หมดสภาพไปแล้ว แต่ใจยังมีความอยากเสพรูกเสียงกลิ่นรสผลถ้าพระเอวยังอยากมีอยากเป็นยังอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยู่ก็จะถูกความอยากนี้ฉุดลากใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ให้ไปเกิดใหม่นั่นเองพอไปเกิดใหม่ก็ต้องไปเจอความแก่ความเจ็บความตายเจอการพักภาพจาก ของที่เรารักของที่เราชอบบุคคลที่เรารักบุคคลที่เราชอบและไปเจอกับคนที่เราไม่รักไม่ชอบของที่เราไม่รักไม่ชอบและเราก็ต้องไปอุปทานยึดมั่นถือมั่นกับร่างกายอันใหม่ที่เราได้มาคือขันหานี่คือ ต้นเหตุของความทุกข์คือสมุทัยความอยากถ้าละสมุทัยได้พอร่างกายนี้ตายไปหมดสภาพไปก็จะไม่มีตัณหาความอยากที่จะฉุดล่างหรือผลักดันให้ใจไปหาฐันห้าชุดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่ พอไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีการพัดพรากจากกันไม่มีการจะต้องพบปะกับสิ่งที่ไม่ชอบไม่มีการยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเพราะไม่มีขันห้าจะให้ยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไปถ้าละตัณหาได้ก็จะนำไปสู่ภารกิจข้อที่สามก็คือนิโรธ ที่ต้องทําให้แจ้งนิโรธแปลว่าความดับของทุกเหมือนกับการดับของไฟไฟดับเพราะว่าไม่มีเชื้อไฟความทุกข์ดับเพราะไม่มีตัณหาไม่มีสมุ ท, ทยัยต้นเหตุของความทุกข์คือไม่มีกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา พอไม่มีแล้วนิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาเต็มที่ทำให้แจ้งทำให้ปรากฏขึ้นมานั่นเองการปรากฏของนิโรธก็คือการการดับไปของความทุกข์นิโรธกับความทุกข์นี่เป็นของที่อยู่ด้วยกันคู่กันไม่ได้ถ้ามีทุกข์ก็จะไม่มีนิโรธถ้ามีนิโรธก็จะไม่มีทุกข์เหมือนมืดกับแจ้งจะอยู่คู่กันไม่ได้ ถ้ามีแจ้งก็ต้องไม่มีมืดถ้ามีมืดก็ต้องไม่มีแจ้งฉันใดถ้าทาให้นิโรธแจ้งขึ้นมาทุก็จะหายไปนิโรธจึงเรียกว่าการดับของความทุกข์เกิดจากการละตันหาทั้งสามคือไม่ป้อนฟืนเชื้อไฟเข้าสู่กองไฟอีกต่อไปไม่ไม่เติมตันหา คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาเข้าไปสู่ใจของพวกเราทำลายให้หมดอย่าให้มีถ้าไม่มีแล้วก็จะไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีความทุกข์การที่เราจะทำนิโรธให้แจ้งได้ด้วยการ ละตันหาทั้งสามนี้ได้เราต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะมาละตันหาทั้งสามนี้เรียกว่ามรคมรคที่ต้องเจริญให้สมบูรณ์เพราะมรคมีหลายส่วนด้วยกันถ้าพูดตามเต็มรูปแบบก็มีแปดส่วนที่เรียกว่ามรค ท, ที่มีองค์แปดหรือมรคแปด ต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมากรรมปโตสัมมาวาจาสัมมาวาายโมสัมมาสัมมาอาชิวสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าย่อส่วนลงมาคือรวมเป็นกลุ่มก็จะได้สามกลุ่มกลุ่มแรกก็คือศีลศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมปโตสัมมาอาชิว สมาธิก็มีสามคือสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาก็มีสองคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปะสรุปแล้วก็ต้องเจริญมรรคแคือศีลสมาธิปัญญาอันนี้สําหรับผู้ที่ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง คือพวกนักบวชทั้งหลายตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมรรคนั้นทรงแสดงให้แก่นักบวชท่านจึงส่งแสดงมรรคแปดทรงแสดงศีลสมาธิปัญญาสอนให้นักบวชนี้จเจริญศีลสมาธิปัญญานี้ให้สมบูรณ์เพราะจะเป็นเครื่องมือที่จะไปละตันหาได้หยุดตันหาความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจได้แต่เวลาที่ทรงสอนข่าวว่าญาติโยมผู้ครองเรือนผู้ยังมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอยู่ก็ต้องสอนให้ทำทานก่อนให้สละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก่อนแล้วถึงค่อยมาเจริญมรรคแปดต่อคือมาเจริญสิงสมาธิและปัญญา สมาธิและปัญญาก็ทรงใช้อีกชื่อหนึ่งสมาธิก็ทรงเรียกว่าสามถะภาวนาปัญญาก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคารวาจึงสอนท่านจึงสอนขารวะให้เจริญทานศีลภาวนาทานก็คือให้ให้ละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่ ที่ไม่มีความจำเป็นต่อการนำลงชีพอย่าอย่ามีเอาไว้เก็บไว้เพราะว่ามันจะถ่วงภารกิจของอริยสัจว์่จะไม่สามารถบําเพ็ญภารกิจสี่ได้อย่างสมบูรณ์ถ้ายังต้องมีภารกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองหรือแสวงหาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมาเพิ่ม เวลาที่จะมาบําเพ็ญกิจในอริยสัจสี่ก็จะไม่พอเพียงก็จะไม่สามารถที่จะทํำกิจในอริยสัจสี่ให้สมบูรณ์ได้บรรลุเป็นพระอระหันต์ได้จึงต้องไม่มีเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก็คือต้องอยู่แบบนักบวช นักบวชนี้ไม่มีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องนักบวชนี้หาหากินหารับประทานด้วยการบินทบาทที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามมีตามเกิดอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ในสถานที่สงบสงัดนิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงเสื้อผ้าก็หาไปตามมีตามเกิด สมัยพระพุทธการพระก็หาเศษผ้าที่ทิ้งตามกองขยะหรือในป่าช้าแล้วก็รวบรวมมาตัดเย็บให้เป็นผ้าห่มผ้าจีวรผ้านุ่งผ้าหม่มนี่คือเรื่องของปัจจัยสี่ของนักบวชแล้วก็ ไม่จะมีความจำเป็นที่จะต้องไปทำงานทำการไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาะซื้อปัจจัยสี่ต่างๆจึงมีเวลาที่จะเจริญกิจในอริยสัจสี่ได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่ตื่นจนหลับคือมีเวลาที่จะมาเจริญมรรคนี้เองมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญา ศีลก็คือข้อห้ามต่างๆเริ่มตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วแต่สถานภาพของผู้บำเพ็ญว่าจะอยู่ในสถานภาพใดแต่ศีลห้านี้จะไม่พอเพียงต่อการสนับสนุนในการเจริญ สมรถะสมถะและวิปัสสนาภาวนาจำเป็นจะต้องรักษาสินแปดขึ้นไปสินแปดสินสิบสินสองอยี่บเจ็ดหรือสินสามร้อยกว่าที่ในอดีตมีพระภิกษุมีต้องรักษาสินสองอยี่สิบยี่บเจ็ดก็ของพระภิกษุสินสิบก็ของสั ม, มเณรสินแปก็ของอุบาสกอุบาสิกา นี่คือศีลที่จำเป็นจะต้องเจริญให้สมบูรณ์รักษาศีลเหล่านี้ให้ได้ตามสถานภาพของตนเมื่อมีศีลแล้วก็จะสามารถที่จะเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามลำดับต่อไปได้การเจริญสมถภาวนาก็จะต้องเจริญสติเพราะสติเป็นเหตุ ที่จะทำให้เกิดสมถะคือความสงบถ้าไม่มีสติแล้วการเจริญสมถะจะไม่เป็นผลเหมือนกับปลูกข้าวปลูกข้าวถ้าไม่มีเมล็ดข้าวก็ปลูกไม่ได้ต้องมีเมล็ดข้าวต้องมีน้ำต้องมีดินถึงจะปลูกข้าวได้ต้นข้าวถึงจะเจริญงอกงามออกรวงขึ้นมาได้ต้องมีเมล็ดข้าวมีน้ำมีดิน มีอากาศมีความร้อนเป็นปัจจัยที่จะสนับสนุนให้เกิดต้นข้าวเกิดรวงข้าวขึ้นมาัณะในการที่จะทำให้จิตใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิก็จะต้องมีสติเป็นผู้นำจิตเข้าสู่ความสงบจิตเป็นเหมือนผู้นำทางนำทางพาจิต ด, ดวงจิตให้เข้าสู่ความสงบ ถ้าไม่มีสติจิตจะถูกกระแสของอารมณ์ต่างๆฉุดกให้ไปสู่ความวุ่นวายไปสู่ความไม่สงบแต่ถ้ามีสติเป็นผู้คอยดึงจิตก็จะเข้าสู่ความสงบตามลำดับจนเข้าสู่ความสงบได้เต็มที่พะจิตเข้าสู่ความสงบได้เต็มที่ก็จะเข้าสู่ความเป็นกลาง ที่เรียกว่าอุเบกขาสัพตะวรโลความเป็นหนึ่งสัพตะวรโลจิตอยู่ตามลาพังของจิตจิตไม่ยุ่งเกี่ยวกับขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตก็จะพบความจริงว่าการปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการอยู่ตามลาพังนี้เป็นความสุขอย่างยิ่ง เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปเพราะไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรมาให้ความสุขแก่จิตนี้เองอาศัยความสงบความว่างความเป็นหนึ่งของจิตเองพอจิตได้พบกับความจริงอันนี้ก็จะได้จเจริญปัญญาขั้นต่อไปได้จเจริญวิปัสสนาภาวนา เวลาออกจากความสงบออกจากความว่างแล้วมาอยู่กับขันห้าอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะคอยเตือนใจว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอาศัยขันห้ามาให้ความสุขกับใจอีกต่อไปเพราะขันห้านี้ไม่เที่ยงไม่ไม่ถาวรมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปในที่สุด พอดับไปแล้วถ้ายังต้องพึ่งขันห้าอยู่ก็ต้องไปหาขันห้าชุดใหม่มามาพึ่งใหม่ก็ต้องไปเกิดใหม่ต้องไปหารูปประคันใหม่ไปหารูปประคันแล้วก็ใช้สัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณผสมประสานกับรูปประค์รูปประคันตอบสนองตันหาความอยากต่างๆต่อไป ดังนั้นผู้ที่ได้ส ม, มะถะาภาวานาได้ความสงบมาแล้วจะรู้หน้าที่ของตนแล้วว่าจะต้องทำอะไรก็คือต้องรักษาความเป็นหนึ่งของใจไว้ให้ได้ความเป็นอิสระของใจอย่าไปผูกพันอย่าไปพึ่งพาอาศัยขันห้าเพราะขันห้านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เราไม่สามารถควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาเป็นตามความต้องการของเราได้เสมอไปเวลาไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่ไปยึดไปติดกับขันท่าปล่อยให้ขันห่าเป็นไปตามธรรมชาติของเขาร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยเขาแก่เจ็บตายไป เวลาไปสัมผัสรับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่น่าปรารถนาก็ให้รู้เฉยๆไปให้เหตุการณ์นั้นเกิดไปห้ามเขาไม่ได้เวลาต้องสูญเสียต้องพัดผ้าจากบุคคลหรือสิ่งของที่รักที่ชอบก็ต้องปล่อยให้เกิดขึ้นไปเพราะห้ามเขาไม่ได้อยากให้เขาอยู่กับเราไม่ได้ เพราะเวลามีความอยากแล้วจะมีความทุกข์มากมีความทรมานใจมากนี่คือขั้นของวิปัสสนาพอออกจากส ม, มาธ ม, มาแล้วใจก็ต้องใช้วิปัสสนาคอยเตืเอนใจสอนใจไม่ให้หลงไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้แม้แต่ร่างกายนี้ก็ยึดติดไม่ได้ ร่างกายนี้ในที่สุดก็ต้องหมดสภาพไปอย่าว่าแต่ร่างกายของคนอื่นเลยร่างกายของเราเองก็เป็นอย่างนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องของวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์รู้ว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะไปสามารถควบคุมบังคับให้อยู่กับเราไปเสมอได้เขาต้องมีวันที่จะต้องจากเราไป <c oughs> พอมีความรู้อย่างนี้แล้วปล่อยวางได้ก็จะไม่มีความทุกข์เพาจะไม่มีความอยากให้ขันห้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต่อไปปล่อยให้ขันห้าเป็นไปตามธรรมชาติของเขา พอปล่อยแล้วก็จะไม่ทุกข์กับขันธ์ห้าต่อไปแล้วก็จะไม่ไปหาขันธ์ห้าชุดใหม่อีกต่อไปหลังจากที่ขันธ์ห้าชุดนี้หมดสภาพไปแล้วก็ถือว่าจบนี่คือเรียกว่าวุติตังบ ร, รมเจริงจบกิจในอริยสัจสี่ถ้าได้เจริญมรรคได้อย่างสมบูรณ์แล้วมรรคก็จะทำหน้าที่อย่างนี้ ทำหน้าที่คือละตันหาทั้งสามละกามะตันหาละภาวะตันหาละวิภวะตันหาพอละแล้วนิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาคือความดับของทุกข์ทุกข์จะไม่มีอยู่ในใจของใจของผู้ปฏิบัติที่ได้สำเร็จเกิดในพาริยะในอริยสัจสี่แล้ว คือได้เจริญมรรคอย่างสมบูรณ์แล้วนี่คือหน้าที่ที่ผู้ผู้ที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจะต้องเจริญกิจในอริยสัจสี่โดยเฉพาะกิจในข้อที่สี่นี้เพราะกิจข้อที่สี่นี้จะนำไปสู่กิจทั้งสามข้อนั้นเอง ถ้าเรามีมรรคเราก็จะมีสติมีปัญญาคอยสอนใจให้รู้ว่าการเกิดนี้ไม่ดีการเกิดนี้เป็นความทุกข์เพราะจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมามีการพัดพากจากกันตามมามีการประสบกับบุคคลหรือสิ่งที่ไม่ปาฏณาาตามมามีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันห้า ปัญญาก็จะสอนใจให้กำหนดรู้ให้จำไว้ว่าอยากไปเกิดอยากไปเกิดแล้วปัญญาก็จะรู้ว่าเหตุที่ทำให้ใจไปเกิดก็คือความอยากก็จะสอนใจให้ละความอยากอย่าไปมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะอย่าไปอยากมีอยากเป็นอย่าไปอยากไม่มีอยากไม่เป็น ทำใจให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาอะไรจะเกิดก็ปล่อยเขาเกิดไปอะไรจะดับก็ปล่อยเขาดับไปอย่าไปมีความอยากไม่ให้เขาเกิดหรือไม่ให้เขาดับหรืออย่าไปมีความอยากให้เขาเกิดอยากให้เขาดับถ้ามีความอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือการที่เราได้เจริญมรรคอย่างเต็มที่แล้วเราจะมีปัญญา ไว้คอยสอนใจให้กำหนดรู้ทุกข์ให้ละให้ละสมุทยัยให้ทำนิโรธให้แจ้งได้เนกิจในอริยาสาัจสีจึงเป็นกิจที่ต่อเนื่องกันผูกพันกันไม่ได้ทำแบบแยกกันททำทำไปแล้วมันจะไปพร้อมๆกันเหมือนกับการขับรถนี้รถมันจะไปทั้งคันมันไม่ได้ไปทีละส่วน ล้อไปล้อไปก่อนอกระบะไปะทีหลังมันไปพร้อมๆกันหมดถ้าเราสตาร์ทเครื่องแล้วเราเข้าเกียร์เหยียบน้ามันแล้วส่วนประกอบของรถทั้งหมดนี้จะไปพร้อมๆกันหมดฉนันใดถ้าเราจเจริญมากได้แล้วการกำหนดดูทุกการศึกษาทุกก็จะเกิดตามมาการละตันหาความอยากก็จะเกิดตามมา การทําให้นิโรธให้แจ้งก็จะเกิดตามมาพร้อมๆกันดังนั้นเรามากําหนดเรามาเจริญมรรคให้สมบูรณ์เท่านั้นนั่คือหน้าที่ของเรามรรคก็คือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโว สัมมาวายามโอสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือมรรคทาแล้วเราก็จะได้มีเครื่องมือที่จะมาเตือนใจสอนใจไม่ให้ไปเกิดนี่แล้วก็เตือนใจสอนใจให้ละตัณหาทั้งสามพอละตัณหาทั้งสามได้นิโรธความดับทุกข์ก็จะปรากฏแจ้งขึ้นมาในใจของเรา พอรู้แล้วว่าไม่มีทุกข์ก็จะรู้ว่ากิจในอริยสัจสี่นี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้ววุตสิตังบรมจาลลิยังกิจในพรห ม, มจรรย์นี้ได้เสร็จสิ้นไปแล้วไม่มีกิจอันใดที่จะต้องทำอีกต่อไปเพราะทำอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะได้ดีกว่าเท่าที่ได้ไ ด, ได้ได้มาคือความดับทุกข์ ทำอะไรก็จะไม่สามารถที่จะทําให้ความดับทุกนี้มีมากขึ้นไปกว่านี้ได้เหมือนไฟดับแล้วไฟไฟในกองเพลิงดับแล้วจะไปทําอย่างไรมันก็ดับจะให้มันดับมากกว่านี้มันก็ดับไม่ได้แล้วมันปลอดภัยแล้วมันไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราแล้วไม่เป็นปัญหากับเราแล้ว นี่แหละคือกิจในอริยสัจสี่ที่ทําให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกต่างกันที่ชื่อเท่านั้นเองคือพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกแต่เนื้อหาสาระความจริงเหมือนกันคือเป็นผู้ดับทุกข์ให้หมดไปจากใจเหมือนกัน ต่างตรงที่ว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครสอนต้องศึกษาด้วยตนเองต้องค้นเค้าควาหาวิธีดับความทุกข์และปฏิบัติดับความทุกข์ด้วยตนเองท่านจึงมีชื่อว่าพระอรหันตะสำ ม, มาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์แต่เป็นพระอรหันต์ที่ดับทุกข์ด้วยตนเองด้วยการศึกษา ด้วยตนเองไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนเพราะไม่มีใครรู้จากทางนี้ไม่มีใครรู้จากวิธีดับความทุกข์ไม่มีใครรู้ภารกิจในอริยสัจสี่นี้พระองค์จึงต้องศึกษาค้นคว้าหาด้วยตนเองลองผิดลองถูกจนในที่สุดก็ได้พบกับเด็ดในอริยสัจสี่หลังจากที่ได้ทรงคนพบแล้ว ก็ส่งนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้ที่นําเอาไปปฏิบัติสามารถปฏิบัติกิจในอริยาาสัจสี่ได้สมบูรณ์ก็จะกลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาคําว่าสาวกก็แปลว่าผู้ฟังนี้เองความหมายของอาหารหันตสาวกก็คือการได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ด้วยการได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้า ส่วนอาหารตะสัมมาสาัมพุทธเจ้านี้คือการได้เป็นพระอาหารโดยตนเองด้วยการศึกษาของตนเองไม่ได้ยินได้ฟังจากใครมาก่อนนี่คือความแตกต่างระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระอาหารตสาวกแต่เรื่องของความบริสุทธิ์ของใจเรื่องของความสิ้นกิเลสทิ่นตัณหาเรื่องของความสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความทุกข์ของใจ ของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกนี้เหมือนกันเท่าเทียมกันสะอาดเท่ากันหมดเหมือนกับเราเอาเสื้อผ้าสองชิ้นไปใส่ในเครื่องซักผ้าพอซักเสร็จแล้วก็จะสะอาดเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเสื้อตัวแรกหรือตัวที่สองถ้ามีผงซักฟอกที่พอที่จะซักเอาสิ่งที่ ข้าสัปะรดที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าให้หมดไปได้เสื้อผ้าที่ไปซักก็จะสะอาดบริสุทธิ์เท่ากันนี่คือสถานภาพของจิตใจของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกท่านไม่มีตัญหาความอยากที่จะพาให้ไปเกิดอีกต่อไปนั่นเองเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตาย ไม่มีการพัดผ้าจากกันท่านจึงตัดไว้ว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องคอยสอนใจเตือนใจว่าอย่าเกิดแล้วต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุที่ทำให้เกิดก็คือตันหาที่พวกเรากำลังหลงไหลคลั่งคล้กันอยู่ทุกวันนี้ อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่กันไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่รู้ว่ามันเป็นตัวที่จะพาให้เราไปเกิดไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้เราต้องไปเจอความแก่ความเจ็บความตายการพัดผ่าจากกันเรามาเกิดในโลกนี้เราเวลาไปแล้วเอาอะไรไปได้บ้างเอาอะไรไปไม่ได้เลย เราอยากได้อะไรกันมากมายทาไมอยากได้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอยากได้สามีอยากได้ภรรยาอยากได้บุตรอยากได้ทิดาอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีอำนาจวาสนามีอะไรต่างๆมากมายกายกองแล้วเวลาตายไปเอาอะไรไปได้บ้างเอาอะไรไปไม่ได้เลยเหนื่อยแทบเป็นแทบตาย บางทีถึงกับยอมตายเพื่อหาสิ่งเหล่านี้เพื่อรักษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีอันนี้เป็นความฉลาดหรือความโ ง, ง่นี่เป็นเพราะว่าไม่มีปัญญาไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีสัมมาสั ง, งโฆไม่เคยมองถึงเวลาที่จะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆที่หาได้มานั่นเอง คิดว่าได้อะไรมาแล้วจะต้องอยู่กับตนไปตลอดจะต้องมีมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่จะมีน้อยลงไปและหมดไปแต่จะต้องมีมากไปมีมากขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เรเรียกว่ามิจฉาทิสติความเห็นความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกกงจักเป็นดอกบัวพวกเราจึงต้องคอยสอนใจให้รู้ว่าทุกข์คืออะไร ให้รู้ว่าเหตุของความทุกข์เกิดจากอะไรและให้รู้เครื่องม้าเครื่องมือที่จะใช้ในการาหยุดเหตุของความทุกข์ที่จะทำให้ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจนี่ก็คือมัชเครื่องมือที่พระเจ้าได้ทรงใช้ในการทำลายหรือละความอยากต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์จนหมดสิ้นไป จนทําให้พระองค์กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมากลายเป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาเป็นสัตถาเทวมนุษสานังเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่มีใครที่จะเป็นครูที่ยิ่งใหญ่เท่ากับพระพุทธเจ้าได้เพราะไม่มีใครที่จะสามารถสอนตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องมาพึ่งพระพุทธเจ้า ทุกๆคนจากโลกทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวถ้าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วก็ต้องอาศัยตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละคือศาสดาของพวกเราของพวกเธอดังที่มี การถามพระพุทธเจ้าว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงจากพวกเขาไปแล้วใครจะมาเป็นศาสดาแทนต่อไปพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าธรรมวินัยที่ตถาคตตถาคตก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดคำว่าตถาคตแทนแทนพระองค์แทนชื่อของพระองค์ ทรงตัดว่าธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วดีแล้วครบถ้วนบริบูรณ์แล้วนี้จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่อยู่ปัากาศาสดาถ้าอยากจะเข้าหาพระพุทธเจา้าก็ขอให้เข้าหาพระธรรมวินัยคือพระธรรมคําสอนต่างๆที่ได้จาะลึกไว้ในพระไตรปิฎกที่มีอยู่แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์และ คำสอนของพระอาหารหันตสาบกทั้งหลายที่ได้นำเอาคำสอนในพระไตรปิฎกนี้มาขยายความมามาแจงให้ให้ละเอียดขึ้นให้ชัดขึ้นให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาปฏิบัติจะได้ปฏิบัติได้ง่ายขึ้นได้ผลอย่างรวดเร็วขึ้นนี่คือศาสดาของพวกเรา ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องเข้าหาพระธรรมคําสอนอย่างที่พวกเรากําลังเข้ามากันในวันนี้วันนี้เราเข้ามาหาพระพุทธเจ้ากันด้วยการมาหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาฟังเรื่องของกิจในอริยสัจสี่นี่แหละเป็นคําสอนที่พระเจ้าทรงสอนตลอดตยะเวลาสี่สิบ้าพรรษาหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสรลู เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงอุทิศเวลาที่เหลือทั้งหมดของชีวิตของพระ อ, องค์ให้แก่การอบรมสั่งสอนกิจในอริยสัจ ส, สี่ให้แก่สัตว์โลกเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติแล้วก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ดังนั้นพวกเรา ผู้ที่ยึดพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์เราก็ต้องเชื่อฟังพระพุทธเจ้าเราต้องน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วก็จะได้นําเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถ้าเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติด้วยความภาคเพียรอุตสาหะอย่างเต็มที่ ผลก็จะปรากฏขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วหลังที่ทรงได้ปยากรไว้ในท้ายพระสูตรของสติปัฏฐานสูตรว่าผู้ใดได้ปฏิบัติตามที่ตถาคตได้ทรงสอนจะสามารถบรรลุ ธ, ธรรมได้ภายในเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันไม่ได้ก็เจ็ดเดือนถ้าเจ็ดเดือนไม่ได้ก็อย่างมากก็เจ็ดปีจะต้องได้ธรรม ถ้าไม่ขั้นพระอนาคามีก็ขั้นพระอาหารหันต์อย่างแน่นอนดังนั้นพวกเราอย่าลังเลสงสัยอย่าไปปล่อยให้คนที่ไม่รู้มาหลอกเราว่าทำของพระพุทธเจ้านี้หมดสภาพไปแล้วปฏิบัติไปแล้วจะไม่ได้ผลขอให้เราดูภาษาวกทั้งหลายที่ยังปรากฏให้พวกเราได้เห็น ได้กล่าวไหวกันอยู่ทุกวันนี้ว่าทำของพระพุทธเจ้าไม่เป็นโมฆะผู้ใดที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นจะได้รับผลอย่างแน่นอนคือดังที่มีคําพูดที่ตัดไว้ว่าถ้ายังมีผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่อาบนั้นจะไม่มีพระอาหัยปราศจากในโลกปราศจากโลกนี้ จะมีพระอาหารหันต์อยู่คู่กับโลกนี้ไปเรื่อยๆถ้าหากมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีสุ ป, ปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิต ป, ปฏิปันโนอยู่ตามนั้นจะมีการบรรลุมรรคสีผลสีนิพพานอย่างแน่นอนเหตุกผลอยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ที่การเวลาไม่ได้อยู่ที่คำพูดของคนนั้นของคนนี้ อย่าปล่อยให้คนนู้นคนนี้มาหลอกเราว่าอย่าไปปฏิบัติเลยปฏิบัติไปก็ไม่มีวันที่จะบรรลุได้เพราะเขาไม่เคยเจอคนที่บรรลุนั่นเองเขาก็เลยคิดว่าไม่มีคนที่จะบรรลุได้แล้วคนที่อยู่ในวงการของการไม่ปฏิบัตินี่แหละจะพูดอย่างนี้เพราะไม่มีการปฏิบัติกันมีการศึกษาพระไตรปิฎก ทั้งเล่มเลยทั้งทั้งชุดเลยรู้8ปด0 0ี่พันพระธรรมขันธ์แต่ไม่ได้นำเอาไปปฏิบัติเลยแล้วก็มาโทษว่าไม่มีมรรคผลนิพพานจะมีได้อย่างไรเมื่อไม่มีเหตุที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาเหตุไม่ได้อยู่ที่การศึกษาเพียงอย่างเดียวเหตุอยู่ที่การศึกษาและการปฏิบัติคือต้องมีปริยัตมีปฏิบัติแล้วถึงจะมีปฏิเวร คือการบรรลุผลบรรลุมากสี่ผลสี่นิพานหนึ่งจะต้องมีทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติถ้าปฏิบัติอย่างเดียวโดยปราศจากปริยัติก็อาจจะไม่เกิดผลขึ้นมาได้เพราะอาจจะปฏิบัติไม่ถูกทาง น, นั่นเองปฏิบัติผิดก็จะไม่เกิดผลเหมือนคนที่จะมารักษาไข้ของคนอื่นถ้าไม่ได้ติดศึกษา ว, ว, วิชา ความรู้รักษาโรคภัยไข้เจ็ดพอมีคนไข้มาหาก็รักษาแบบหมอตีที่เราไปหากันตามร้านขายยาบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายเพราะหมอตีเขาก็รักษาไปแบบสุ่ม 4, สี่สุมห้าไปทดลองยาไปมาเรานี้เอายานี้ไปไม่หายคราวหน้าก็กลับมาใหม่ก็เอายาอย่างนี้ไปถ้าไม่หายก็ตายนี่ เรียกว่าปฏิบัติแบบไม่มีปริญญาไม่ได้ศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนต้องศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนเพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาได้อย่างเต็มที่อันนี้ไม่ขึ้นกับการกับเวลาทำมังเป็นอากาลิโกอยู่ที่เหตุอยู่ที่ผลเท่านั้น ถ้ามีเหตุก็จะมีผลถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผลอย่างนั้นขอให้เราจงพุ่งไปที่เหตุเป็นสำคัญเหตุก็คือปริยัติปฏิบัติผลก็คือปฏิเวทที่จะปรากฏขึ้นมาต่อไปการจสดแดก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสกากลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุ ป, ปการปติอิทิ่ตังปัททตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจตุสาเพปุเรนตุสังกบา จันโทปนาระโสยธามณิจุติอระโสยธาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตะวันตราโยสุขีธีคายยโกภวะอภิวาทนสีฤิษะนิจังวุฒาปจายโน จตารโหเทมาวทานติอายุวโนสุขังภาลังตอนนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาถ้าใครสงสัยอยากจะทราบอะไรทำที่แสดงไปแล้วยังไม่ชัดแจ้งชัดเจน ก็ถามได้หรือจะถามทําในส่วนอื่นก็เชิญถามได้ถ้าไม่มีจะให้คุณตอได้ตอบได้นำคำถามที่ถามมาผ่านทางอินเทอร์เน็ตใครถามนะครับครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook พระจา์สุชาติวิชาโตนะครับคำถามข้อแรกจากคุณมะผางนะครับ อยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราเห็นโทษของกามราคะว่าเป็นต้นเหตุแห่งการเกิดแล้วเราก็ละมันเหมือนกับว่าเราทําศีลห้าให้บริสุทธิ์อันนี้ยังถือว่าเป็นปัญญาระดับจินตมยปัญญาอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นปัญญาแล้วขอกับพระอาจารย์เมตตาคือปัญญาก็มีอยู่สามระดับด้วยกัน คือระดับแรกเรียกว่าสุสตตะมยปัญญาคือการได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องตัณหาว่าเป็นต้นเหตุของการที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เพียงแต่ได้ยินได้ฟังนี้ยังไม่มีกำลังพอที่จะมาหยุดตัณหาที่มีอยู่ภายในใจของเราได้อยู่ส่วนระดับที่สองก็คือ เราเอามาทบทวนเอามาค่ายควรอยู่เรื่อยๆเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆอย่าให้ลืมว่าต้นเหตุของความเกิดก็คือความอยากต่างๆพอเราทบทวนอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่ไปทำตามความอยากนี้เวลาเราจะทำไม่ไปทำตามความอยากนี่ก็อยู่ที่ว่าเรามีกำลังสู้มันได้หรือเปล่าเวลาเราอยากจะไปทาตามความอยาก ถ้าเราหยุดไม่ได้ยังสู้ไม่ได้ก็แสดงว่ายัางไม่ได้เป็นภาวนาไมยปัญญาคือปัญญาระดับที่สามระดับที่จะดับปุกรหัสหาความอยากได้การที่จะมีปัญญาระดับนี้ได้จาเป็นจะต้องมีสมถาภาวนาเป็นผู้สนับสนุนก่อนคือใจต้องสงบใจต้องนิ่งเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาก่อน ถ้าใจยังไม่สงบไม่นิ่งเป็นอุเบกขาก็จะไม่มีกําลังต่อสู้กับความอยากได้ดังนั้นเราต้องดูตรงตรงผลและดูตรงที่สมถะภาวนาดูที่อุเบกขาถ้าเรายังไม่มีอุเบกขาพอเกิดความอยากใจของเราก็จะไม่มีเบรกหยุดมันเหมือนรถยนต์ที่ไม่มีเบรก พอปล่อยมันวิ่งลงเขามันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆถ้าต้องการให้มันหยุดก็ต้องใช้เบรกมันถึงจะหยุดได้ถ้าเรายังไม่มีอุเบกขาไม่มีสมถภ า, ภาวนาปัญญาที่เรามีอยู่นี้จะไม่พอกับการที่จะหยุดความอยากได้ดังนั้นเราจึงต้องมาฝึกสมาธิกันจเจริญสติกันเพื่อทำจิตให้รวมเป็นหนึ่ง เพราะการรวมเป็นหนึ่งของจิตนี้จะทําให้จิตเป็นอุเบกขาอุเบกขาก็คือความอิ่มอกอิ่มใจนั่นเองใจอิ่มแล้วใจก็จะไม่มีความอยากไม่ต้องการอะไรพอความอยากโผล่ขึ้นมาก็จะสามารถหยุดมันได้เพราะดูแล้วว่าการไม่ทําตามความอยากการไม่มีความอยากนี้มันดีกว่าการทําตามความอยากนั่นเอง นี่คือเรื่องของปัญญาสามขั้นด้วยกันที่พูดปฏิบัติควรจะรู้จักแยกแยะว่าตอนนี้มีปัญญาขั้นไหนอยู่ส่วนใหญ่มักจะไปหลงติดอยู่ที่ปัญญาขั้นที่สองกันพิจารณาว่าปัญหาเป็นความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์เป็นต้นเหตุของการเวียนว่าตายเกิดก็คิดว่าหยุดได้ หยุดได้แต่ไม่รู้ว่าก็ยังทาตามความอยากอยู่เพราะว่าการดำเนินชีวิตก็ยังเป็นปกติอยู่เคยกินข้าวสามมื้อก็ยังกินข้าวสามมื้ออยู่เคยดูหนังฟังเพลงก็ยังดูหนังฟังเพลงอยู่เพราะถือว่านี่เป็นเรื่องปกติของชีวิตไม่ใช่เรื่องของตัณหาบางคนจะปฏิเสธว่าเป็นเรื่องของตัณหาแต่ความจริงมันเป็นเรื่องของตัณหาทั้งนั้นการกินข้าว สามมือนี่ก็เป็นเรื่องของตันหาการดูหนังฟังเพลงก็เป็นเรื่องของตันหาเหมือนกันแต่รำ ม, มาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาก็ไปมองในเรื่องที่ว่าตอนเองไม่ไม่มีคือตันหาอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ไม่มีก็เลยว่าเราไม่มีตันหาแล้วไม่อยากร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีว่าเราไม่มีตันหาแล้ว ตันหาส่วนนั้นอาจจะไม่มีแต่ตันหาส่วนที่มีอยู่นี่มองเห็นหรือเปล่าว่ามันเป็นตันหามองไม่เห็นกันนะพวกที่เขาบรรลกุก็ด้วยความคิดก็จะคิดอย่างนี้กันคิดว่าตอนนี้เราก็ไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรเราก็ไม่อยากไปเที่ยวที่ไหนเพียงแต่เราอยู่บ้านดูหนังฟังเพลงเราก็พอใจแล้วอันนี้นก็เรียกว่าถ้าอยากจะรู้ว่า มีตันหาหรือไม่ก็ลองถือศีลแปดดูที่จะได้รู้ว่าเออการไม่มีตันหาในระดับศีลแปดนี้เขาทากันอย่างไรออก็คือต้องไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ต้องรับประทานอาหารเย็นอะไรอย่างนี้ดูซิว่าจะทําได้หรือเปล่าเพียงแต่มานั่งคิดว่าเอะเราก็ไม่มีตันหาแล้วไม่มีความอยากอะไรตอนนี้แต่มองไม่เห็นส่วนที่มีอยู่ เพราะทำอยู่เป็นประจำจนคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติคนบางคนก็คิดว่าร่วมหลับนอนกับแฟนกับสามีก็เป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของตัณหาไปก็เลยอาจจะถูกหลอกได้ว่าพิจารณาแล้วว่าบรรลุคันนู้นคันนี้แล้วได้เพราะไม่มีตัณหาแล้วนั่นก็ขอให้เราระมัดระวังไม่งั้นเราจะถูกหลอกแล้วเราจะไม่ปฏิบัติ แล้วเราก็จะไม่ก้าวหน้าไม่ได้ผ ล, ลข้อต่อไปคำถามข้อต่อไปจากคุณหญิงนะครับกรณีที่มีเพื่อนในที่ทำงานแสดงปฏิกิริยาต่างๆในลักษณะไม่พอใจต่อเราเนื่องจากการกระทาของเราไม่ถูกใจเขาหากเราคิดว่าเราควรจะเห็นใจเขาเพราะเขามีทุกข์เกิดขึ้นจากที่ไม่พอใจเราเขาจึงแสดงปฏิกิริยาที่ไม่ควรต่อเรา แล้วเช่นนี้เราคิดถูกหรือไม่เนื่องจากเกงว่าการคิดเช่นนี้จะกลายเป็นการย้ายจิตเพื่อหลอกตัวเองเราไม่ได้ดูความรู้สึกของเราที่ไม่อยากพบเจอเขาไม่อยากพบปฏิกิริยาของเขาเคยความไม่อยากพบก็ผิดเหมือนกันเราต้องพร้อมที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันจะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย ใครเราคิดว่าเราเกิดมาอยู่ในโลกนี้แล้วเราต้องสัมผัส ร, รับรู้ทั้งส่วนที่เราชอบและส่วนที่เราไม่ชอบถ้าเรายังมีความอยากไม่พบกับสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่อันนี้ก็ยังเป็นปัญหายังเป็นปัญหาอยู่เราต้องแก้คือเราต้องแก้เราต้องยอมรับทุกส่วนที่เกิดขึ้นกับเราอย่างที่พระเจ้าทรงสอนอยู่ว่า ถ้าเขาไม่ชอบเราก็ให้คิดว่าดีแล้วที่เขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ให้คิดว่าเกิดมาก็ต้องตายด้วยกันทุกคนดีเสียอีกบางคนอยากจะตายนี่ต้องเสียเงินซื้อยาพิษมากินนี่เราไม่ต้องเสียเงินถึงเวลา ของเราที่จะต้องตายแล้วก็คิดอย่างนี้ก็เท่านั้นเองคือการคิดแบบนี้เรียกว่าเป็นปัญญาเป็นอุบายของปัญญาเพื่อทำให้ใจเราเป็นอุเบกขาให้ใจของเราเป็นกลางวางเฉยยอมรับกับสภาพเหตุการณ์ต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นจะเรียกว่าเป็นการเบ่งเบียนเนืออะไรหรือปากก็ไม่ใช่หรอกเป็นวิธีการที่ถูกต้องวิธีการของเป็นอุบายของปัญญาที่จะทาให้ใจของเรา ปล่อยวางวางเฉยได้คําถามข้อต่อไปจากคุณเขมะวิมุตินะครับผมบริกรรมพุทโธพอมันวางจากอารมณ์ทั้งหมดก็เหลือตัวจิตว่างๆไม่มีพุทโธแล้วเห็นความคิดโทสะราคะมาไหลออกมาจากตัวจิตนี้อยากทราบว่าต้องปฏิบัติยังไงต่อก็ควรจะพุทโธต่อไปเพราะว่าจิตยังไม่สงบ ถ้าจิตสงบเต็มที่แล้วจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาให้เห็นให้รับรู้จะมีแต่ความว่างมีแต่ตัวรู้ตัวจิตมีแต่อุเบกขาอยู่เท่านั้นถ้ายังมีกระแสของความโลภความโกรธความหลงความอยากออกมาก็แสดงว่ายังภาวนาไม่ถึงที่จิตยังไม่รวมลงเต็มที่ต้องทาต้องภาวนาต่อไปถ้าเป็นการรับประทานอาหารก็ยังไม่อิ่ม ยังอยากจะกินขนมนมเนยอะไรอยู่ก็ต้องกินต่อไปกินอาหารข้าวหวานหมดแล้วกินอาหารขาวหมดแล้วยังอยากกินของหวานยังอยากจะดื่มน้ําก็ต้องทําต่อไปทําไปจนกระทั่งไม่อยากจะดื่มไม่อยากจะรับประทานแล้วถึงจะหยุดอันนี้ก็เหมือนการการภาวนาแสดงว่าจิตยังไม่อิ่มตัวยังไม่ถึงจุดอุเบกขาก็ต้องภาวนาต่อไปพุทธโธต่อไป คำถามข้อต่อไปจากคุณจิตตานะครับสถานที่ปีกวิเวกของชีพรามที่ต้องการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังจะหาแบบตามป่าตามเขาเหมาะไม่เหมาะอย่างไรขอพระอาจารย์ชี้นํำก็พระพุทธเจ้า ก, ก็ทรงชี้บอกแล้วว่าที่เหมาะต่อการบําเพ็ญก็คือที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะซึ่ง ส่วนใหญ่ในสมัยพระพุทธการก็อยู่ตามป่าตามเขาที่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านอยู่ห่างไกลจากสังคมเป็นที่จะทําให้การทําใจให้สงบนี้ง่ายกว่าการที่อยู่ในสถานที่ที่มีแสงสีเสียงมีลูกเสียงกลิ่นลดผลพัะมาคอยยั่วยวนกวนใจอยู่ดังที่ทรงตัดไว้ว่ากายวิเวกจิต ก็จะวิเ ว, ค ว, เวกควําวิเวกก็แปลว่าสงบสงัดเราต้องให้ส่วนของกายคือส่วนที่มาเกี่ยวข้องกับกายนี้สงบซะก่อนเช่นรูปเสียงกยลิ่นรสผดพทพะที่จะเข้ามาผ่านทางทวารทั้งห้าให้ให้เป็นรูปเสียงกยลิ่นรสผดพทพะที่ไม่ยั่วยวนกวนใจ เช่นเวลาอยู่ในป่าในเขานี้ลูกเสียงกินลดผลตภะนี้จะไม่มาทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆพอกายวิเวกแล้วใจก็จะวิเวกใจก็จะสงบตามคำถามข้อต่อไปจากคุณโฮลี่แจนนะครับข้อที่หนึ่งเหตุเกิดที่กรุงเทพมีพิสูจเดินผ่านมาถามหาร้านตัดผมผู้ชายเพื่อที่จะปรงผม ยมสงสัยว่าพิสุสามารถทำได้หรือไม่ก็ปกติพระท่านจะป่งผมกันเองหรือช่วยกันปอมในวัดนี่แสดงว่าคงจะเป็นพระเดี่ยวพระโดดคือไม่มีเพื่อนบวชแล้วก็ไม่สังคมกับใครไม่ยอมอยู่วัดอ็เลพอเวลาถึงเวลาจะต้องป่งผมก็เลยต้องไปหาร้านตัดผมข้อที่สองนะครับ ผู้ที่ซื้อผู้ที่ถือศีลแปดแต่ย้อมผมถือว่าผิดข้อมุสาหรือไม่ไม่ใช่ข้อมุสาหรอกเพราะถ้าไม่ได้ไม่ได้ไดโกหกเพงแต่ว่าผิดตรงข้อที่ว่าไปเสริมความงา ม, มรู้สึกจะอยู่ในข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดก็คือให้ปล่อยให้ร่างกายเป็นตามธรรมชาติไม่ต้องเสริมสวยไม่ต้องใช้เครื่องสําอาง ให้ชาระให้สะอาดให้ดูเรียบร้อยก็พอแล้วเช่นอาบน้ําแล้วก็หวีผ้าหวีผมก็พอไม่ต้องแต่งหน้าทาปากไม่ต้องใส่น้ําหอมน้ําอบอะไรต่างๆถ้าจะว่าผิดก็ควรจะผิดข้อที่เจ็ดแต่นี่เขาคงจะหมายถึงว่าหลอกลวงน้องคือผมสีขาวแล้วก็หลอกลวงชาวบ้านว่าเป็นผมสีดำก็อาจจะมีส่วน ไม่ก็สีขาวหรอกก็เป็นสีดำนะไปจังคำถามข้อต่อไปจากคุณพันณิตานะครับขอกาเรียนถามเรื่องการบวชการตั้งใจจะถือศีลและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังตลอดชีวิตค่ะจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรและถ้าทางบ้านคุณพ่อยังมีความคาดหวังสูงมากๆกับเรื่องการเรียน การเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกต่อของลูกอยู่ควรจะต้องทาอย่างไรให้ทางบ้านเข้าใจและสนับสนุนให้ลูกเข้าทางธรรมะอย่างเต็มตัวเพราะการออกบวชและทิ้งทางโลกของลูกคือการทำให้คุณพ่อผิดหวังและจะทาและจะเป็นการไม่กระตันยูต่อบิดาบรรดาหรือไม่ไม่หรอกเพราะพระพุทธเจ้าเอากัเป็นอย่างนี้ พ่อพ่อของพระพุทธเจ้าก็ไม่อยากให้พระพุทธเจ้าออกบวชอยากให้พระพุทธเจ้าอยู่เป็นกษัตริย์เพราะต่อไปจะได้เป็นมหาจากักรพรรดิได้แต่พระพุทธเจ้าก็มีความปรารถนาที่อยากจะออกบวชพอเห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายจึงไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ ก็เลยต้องออกบวชทางนั้นถึงจะสามารถยุติการกลับมาเกิดได้ถ้าเรายังคุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้ก็คุยกันไปทำความเข้าใจกันว่ารู้เห็นโทษของการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายและเห็นว่าการศึกษาเร่มเรียนถึงระดับปริญญาเอกก็ไม่สามารถที่จะมาแก้ปัญหานนี้ได้มีวิธีเดียวเท่านั้นต้องออกบวช ก็คุยกันให้เข้าใจไว้ก่อนพอเขายังไม่ยอมรับความจริงถ้าเรายังมีความปรารถนาที่แรงก็ถ้าเราคิดว่าเราไปได้เราก็ไปเลยอย่างที่พระพุทธเจ้าไปถ้าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องดูแบบฉบับของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างไม่เสียหายอะไรไม่เป็นการในระคุณเพราะว่าเป็นการไปเพียงชั่วคราวเท่านั้นเอง ไปเพื่อศึกษาให้จบปริญญาเอกทางพระพุทธศาสนาพอจบแล้วได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็กลับมาโปรดคุณพ่อคุณแม่ได้มาช่วยคุณพ่อคุณแม่ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้กลับมาโปรดพระราชบิดาพระพุทธมารดาได้ช่วยเหลือให้พระยุลญาธได้บวชได้หลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันเป็นจนํานวนมากดังนั้นอย่าไปคิดว่าการไปนี้เป็นการไปแบบท้าววอนไปเพื่อเพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติให้ได้พบทางสู่การหลุดพน้นเมื่อได้พบทางแล้วได้หลุดพน้นแล้วก็กลับมาช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่พบทางยังไม่หลุดพน้นต่อไปเท่านั้นเองคำถามข้อต่อไปจากคุณมิกจักรวันนะครับ จิตสันโคงคงเป็นตลอดวันแล้วลมหายใจปรากฏรู้เฉยเฉยก็ไม่เห็นจับพัฒนาอะไรก่อนหน้านี้เคยได้อัปปนาสมาธิแต่ทิ้งไปเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลยสังเกตแต่การเคลื่อนตัวของจิตถูกบ้างผิดบ้างขอพระอาจารย์อธิบายและชี้ทางต่อก็ควรจะกลับมาทำแบบที่เคยได้อัปปนาเคยได้อัปปนาอย่างไงก็กลับไปทาอย่างนั้นต่อ ถ้าใช้การบริกรรมพุทธโธก็บริกรรมพุทธโธต่อไปถ้าใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ดูกันต่อไปแต่อย่าไปดูการเคลื่อนไหวของจิตเพราะว่าเราไม่มีกำลังพอที่จะไปทําให้จิตนิ่งทําให้จิตสงบได้การที่จิตจะนิ่งหรือจะสงบนี้ก็ต้องมีการบริกรรมพุทธโธหรือการควบคุมจิตให้อยู่กับการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเท่านั้น เห็นจะทำให้จิตรวมเข้าสู่อัปปนาได้แต่ถ้าดูจิตนี้ดูยังไงก็จะไม่มีกำลังสติจะไม่มีกำลังพอที่จะทำให้จิตนี้หายสันหายวุ่นวายได้หมดคำถามแล้วครับอาจารย์มีไหมขึ้นมาต้องขึ้นมามีคำถามจากข้างล่างขอเชิญขึ้นมาจะได้พูดผ่านทางไมโครโฟน พอในอดีตมีคนบ่นว่ามีแต่คำตอบฟังคำถามไม่ได้ยินเปิดมด้วยนะครับเปิดมยขอโอกสค่ะมีคำถามนี่มานานแล้วแต่ไม่ทราบว่าจะถามยังไงเพรเอินท่านอธิบายบางสิ่งบางอย่างเลยได้คำศัท์มาเพื่อจะถามระหว่างอุเบกอุเบกขาใน ในสมถะในอปปนาสมาธิกับสังขารูเบกขายานในวิปัสสัญาณที่เคยได้ยินมาเป็นอย่างคล้ายๆกันยังไงหรือว่าแตกต่างกันยังไงคะอันนี้ก็เพื่อได้ยินครั้งแรกในวันนี้ลองลองไปคน้นไปถามอาจารย์กูกันดูือาแล้วกันก็คือคือ ได้ยินได้ฟังมาหรือว่าอ่านมาค่ะแต่ว่าประสบประสบาการณ์เนี่ยเข้าใจว่า เ, เคยครั้งนึงมันเหมือนมีมมจิตรวมแล้วแล้วก็เหมือนกับตัวจิตเองก็หายไปแต่ว่าตัวรู้มันก็ยังอยู่อะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยไม่ทราบว่าไอ้นั่นมันมันมันเป็นอะไรหรือว่ามันมันใช่อั ป, ปนาหรือเปล่าถ้าตัวรู้อยู่ตัวความคิดหายไปก็เรียกว่าอั ป, ปนา ไม่มีความคิดตรงแต่งศักดแต่ว่ารู้ใจเป็นอุเบกขาเป็นกลางไม่มีความโลภโกรธหลงไม่มีความอยากอะไรต่างๆอยู่อันนั้นก็เรียกว่าเป็นอัปปนาได้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันเริ่มเริ่มคิดเริ่มมีมีความคิดมีสัญญามีอะไรเข้าเข้ามาเนี่ยแล้วมันไม่ไม่สามารถอุเบกขาได้แล้วมันได้แต่ลาคาว่ามันไม่หยุดสักทีเมื่อไหร่มันจะเมื่อไหร่มันจะ ก็ต้องก็ต้องกลับไป เ, เข้าไปในอุเบกขาใหม่โดยการใช้บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้สังขารความคิดปรุงแต่งคิดเลือเปื่อยแล้วก็จะจิตก็จะกลับเข้าสู่อุเบกขาได้ใหม่หรือถ้าจะใช้ปัญญาก็ต้องสอนใจให้หยุดความอยากให้ได้เวลาเกิดความอยากก็ต้องเห็นโทษของความอยาก และเห็นทุกข์ของสิ่งที่ได้มาไม่ได้เป็นสุขเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขตรงนั้นเอาความคิดเอาตัวไปพิจารณาเข้ามาใช้ได้พิจารณาในทางปัญญาเช่นอยากจะไปดื่มกาแฟไปแล้วยังไม่ได้ดื่มมันก็จะหงดหงิดนำคาญใจพอได้ดื่มแล้วมันก็หายงดหงิดแต่มันหายเพียงชั่วคราวเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งพอเลิกกาแฟหมด ก็เกิดความอยากจะดื่มขึ้นมาใหม่ก็ต้องหดหดใหม่แต่ถ้าเราฝืนความอยากนี้ได้ทำใจให้สงบได้ต่อไปความอยากก็จะไม่มีกำลังเราก็จะไม่ต้องไปดื่มกาแฟต่อไปเพราะจะไม่มีความอยากดื่มกาแฟเกิดขึ้นมาคื คือตัวคิดนี่มันไม่ได้อยากจะคิดนะคะมันแต่มันผุดขึ้นมาเองนั่นแหละมันเป็นสันดาห์ไงเคยคิดอย่างนี้มาก่อนเคยชอบอะไรก็จะคิดถึงเรื่องที่เราชอบเคยเดื่มอะไรก็จะคิดถึงเรื่องที่เราเดืม่มเคยดูอะไรก็ชอบ ช, ชอบดูอะไรก็จะคิดถึงเรื่องที่เราชอบดูมันเรีก่ก็เป็นนิสัยเป็นสันดาห์วิธีจะแก้นิสัยสันดาหก็คือต้องฝืนไม่ทาตาม พอไม่ทำตามไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะหายไปเองหมดกำลังไปเองแบบนี้ถ้าหากว่าจะเป็นเป็นการปรุงแต่งความคิดมาเพื่อยับยั้งหรือหยุดความคิดบางอย่างนี่อันนั้นจะเรียกว่าเป็นปัญญาอบรมสมาธิปัญญาอบรมสมาธิหรือปัญญาฆ่ากิเลส่าตัณหาความอยาก จะมันไม่ใช่อันเนนชาที่สังขารที่ตุ้งแต่งอะไรว่างๆโล่งๆว่ามันไม่มีอะไรอย่าไปสนใจอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แล้วก็พยายามทําทําความว่างขึ้นมาในตัวในในจิตอะไรแบบนั้นมันมันคนละอย่างกันใช่ไหมคะมันก็อย่างเดียวกันเนี่ยก็คือต้องการให้จิตมันว่างต้องการให้จิตมันสงบถ้ามันจะคิดตรงแต่งโดยไม่มีความอยากแต่มันก็คิดด้วยเปลื่อย ก็หยุดมันเสียมันจะได้ใจจะได้ว่างจะได้เยน็นจะสบายถ้ามันคิดไปตามความอยากก็ต้องหยุดมันให้ได้ก็แสดงว่าใช้การปรุงแต่งขึ้นมาได้ก็ปัญญาก็เป็นความปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งมาในทางที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งเช่นการบริกรรมพุโทโธนี่ก็เป็นความคิดปรุงแต่งเหมือนกันพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็ก็จะหยุดความคิดต่างๆได้ แต่ว่ามันเป็นเป็นในแนวของสติของสมาธิมันจะไม่เป็นในแนวของปัญญาถ้าคิดไปในแนวของปัญญานี่มันจะคิดด้วยเหตุด้วยผลเห็นเหตุเห็นโทษเห็นคุณของความคิดนั้นๆเมื่อเห็นโทษว่าคิดแบบนี้แล้วเป็นทุกข์ก็ต่อไปก็จะไม่คิดแบบนั้นแต่ถ้าใช้พุทโธจะไม่เห็นคุณเห็นโทษเวลาคิด คิดแล้วไม่ชอบความคิดนี้ก็ใช้พุโทโธหยุดแต่คราวหน้ามันก็จะกลับมาใหม่แต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าคิดแบบนี้เป็นโทษต่อไปมันก็จะไม่คิดอีกต่อไปอก็เหมือนกับเป็นอุบายยับยั้งชั่วคราวไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะใชถ้ถ้าเป็นสมาธิกิเลสถ้าเป็นสมาธิก็ชั่วคราวถ้าเป็นปัญญาก็ถาวร ถ้าเห็นโทษของมันก็ถาวรถ้าไม่เห็นโทษเพียงแต่ยับยั้งไม่ให้มันคิดก็เป็นแค่ชั่วคราวถามได้นะไม่ต้องเกรงใจจะได้มีเรื่องพูดให้ฟังไม่ถามก็บางทีงก็ไม่รู้จะพูดอะไรการถามนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราโง่กับคนอื่น การว่าเราฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษามากกว่าคนอื่นยันไม่ต้องอายคนที่ถามนี่แสดงว่าเป็นคนที่สนใจมากกว่าคนที่ไม่ถามพระอาจารย์ครับขออุบายที่ดีที่สุดสําหรับการรักษาศีลข้อมุสาครับพวกพูดมากอะไรยเงี้ยครับพาอาจารย์อาปัสเตอร์มาปิดตาเ <laughs> หรือตัดลิ้นไปเลยก็มีพระตอนที่ไปอยู่กับหลวงตามีพระอยู่รูปหนึ่งท่านก็ไม่อยากจะพูดเพราะท่านคิดว่าพูดแล้วทำจิตให้ฟุ้งซ่านท่านก็เลยใช้วิธีเขียนแทนเวลาใครไปถามอะไรท่านท่านก็เขียนตอบเขียนต่อมันก็เหมือนกันแหละ พรมันก็ปรุงแต่งเหมือนกันเวลาพูดก็ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งเราค่อยพูดเวลาตอบโดยการเขียนมันก็ใช้ความคิดปรุงแต่งเหมือนกันเน้นท่านเข้าใจผิดท่านไม่ไม่รู้ท่านคิดว่าการไม่พูดนี้จะทําให้ใจสงบไม่คิดปรุงแต่งมีอะไรจะถามหรื อ, อเอาไมาใ้ให้คุณพูดยมหน่อย ออมีคนมีปฏิบัติแบบพุโทโธค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นแบบเมตตาภาวนาะแล้วก็ขึ้นพิจารณากายกับอสุภะแต่ตอนนี้มีคนมาบอกว่าจิตเดิมไม่หลายชาติแล้วเป็นมารมาก่อนแล้วหนูจะมาปฏิบัติชาตินี้มันจะเป็นมารหรือเปล่าคะมันเป็นยังไงก็สู้ธรรมะของพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าธรรมะของพุทธเจ้านี่สามารถปราบมารได้ทุกชนิด แล้วก็ชาตินี้เป็นชาติเดียวเท่านั้นที่เราจะได้มีธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างสดสดร้อนๆ้อนเพราะเรามีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่และพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองแล้วว่าภายในเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี้จะสามารถทําลายมา ท, มทั้งหมดที่มีอยู่ในใจของเราได้เลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลว่าต่อให้เรามีมารติดตัวมามากน้อยเพียงไรก็ดูองค์ุลิมานเป็นตัวอย่าง องคุลิมานก็ไปฆ่าคนถึง999คนพอมาเจอพระพุทธเจ้าฟังคำพูดของพระพุทธเจ้าเพียงสองสามคำก็เกิดได้สติกับคืนมาแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็ได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ภายในระยะเวลาไม่นานดังนั้นต่อให้เราได้สะสมบาปกรรมสะสมมารอะไรไว้มากมายขนาดไหนก็ตาม ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี่เราก็จะสามารถที่จะทำลายมานทั้งหมดที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้เลยขอให้เรามีศรัทธาความเชื่อแล้วปฏิบัติให้ถูกเท่านั้นเองถ้าเราปฏิบัติตามลำพังอาจจะผิดได้อ่านหนังสืออย่างเดียวนี่บางทีบางทีอาจจะทาให้เราเข้าใจผิดได้ ปฏิบัติไม่ถูกตามขั้นตอนได้ตามที่ดีควรจะเข้าหาผู้ที่รู้จริงเห็นจริงผู้ที่ได้ปฏิบัติได้ผ่านมาแล้วท่านจะได้บอกแนะแนวให้กับเราได้อย่างถูกต้องแล้วเราจะไดะ้ปฏิบัติได้ผลอย่างเต็มที่การศึกษาเบื้องต้นด้วยการอ่าน ด, ด้วยการฟังนี่ก็ดี ว่เป็นจุดเริ่มต้นแต่พอเราเข้าสู่การปฏิบัติแล้วถ้าเราปฏิบัติไปสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลนี่แสดงว่าเราควรที่จะเข้าหาผู้รู้แล้วถ้าปฏิบัติไปแล้วมันไม่คืบหน้ามันเหมือนเดิมแสดงว่าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องเช่นที่เมื่อกี้พูดบอกว่าตอนต้นใช้พุทโธแล้วก็มาใช้เมตตาภาวนาใช้อสุภะเนี่ย ก็เลยทําให้เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าใช้ตอนไหนบ้างใช้อย่างไรเพราะมันมีขั้นมีตอนของมันไม่ใช่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขั้นตอนแรกที่ใช้พุโทโธนี้หรือการบริการภาวนาเมตตาภาวนานี้มันก็มีเหตุมีผลของมันการที่เราใช้พุโทโธนี้ก็เพื่อทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิไม่ให้คิดปรุงแต่ง การใช้เมตตาภาวานานี่ก็เวลาที่เกิดความโกรธขึ้นมาเช่นเราไปไปไปพบกับเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เราไม่พอใจทำให้เรากรโกรธแค้นโกรธเคืองทำให้เราไม่สามารถบริกรรมพุทธโธ ท, ทำใจให้สงบได้เราก็ต้องใช้เมตตาภาวานานมาระงับความโกรธภาวานานเมตตาก็คือไม่จองเวรให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคือง ใจถึงจะสงบได้หรือถ้าเราเกิดการารมณ์ขึ้นมาทำให้เราไม่สามารถบริกรรมพุทโธ ท, ทำให้ใจสงบได้เราก็ต้องพิจารณาอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อจะดับการารมณ์เพื่อให้ใจเรากลับมาเป็นปกติให้เราได้มาบริกรรมพุทโธ ท, ทำใจให้เข้าสู่สมาธิได้อันนี้มันมีมันมีเหตุมีผลให้ทำกัน ต่โดยปกติเราควรที่จะยึดการภาวนารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นหลักตามความถนัดของเราถ้าเราถนัดบริกรรมพุทโธก็ให้ใช้พุทโธเป็นหลักไปแล้ว เ, เปลี่ยนแต่เฉพาะเวลาที่มีเหตุเวลาเกิดความโกรธเวลาเกิดความเกิดการมราคะเกิดความไข้ในอารมณ์ขึ้นมาอันนี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนเพื่อที่จะดับการอารมณ์ดับความโกรธ พอดับได้แล้วเราก็กลับมาบริกรรมพุโทโธเพื่อให้จิตเข้าสู่ความเป็นหนึ่งรวมเป็นอัปปนาสแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาพอได้นี้แล้วพอออกจากสมาธิมาเราก็ต้องมาพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอนไปขั้นแรกท่กานก็ให้พิจารณาขันห้าคือร่างกายของเราว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเวทนาความรู้สึกก็มี มีสุขมีทุกข์มีไม่สุขมีไม่ทุกข์เป็นอนัตตาคือห้ามเขาไม่ได้เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นอนิจจังถ้าไม่อยากจะทุกข์กับเขาก็กต้องอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะละวาง อ, าอุปทานในขันห้าได้อันนี้นมีขั้นมีตอนไปพอละอุปทานในขันห้าได้ในในเรื่องเกี่ยวกับ อันนี้จางอนัตตาขั้นต่อไปก็ต้องพิจารณาอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อจะได้ละการมราคะาที่มีต่อร่างกายอันนี้เป็นเรื่องของขั้นของปัญญาแต่ก่อนจะเข้าสู่ขั้นปัญญานี้ต้องได้ขั้นสมาธิก่อนจิตต้องรวมเป็นอุบเบกขาก่อนเป็นอัปปนาแล้วก็ต้องออกจาก สมาธิก่อนถึงจะพิจารณาได้ขณะที่อยู่ในสมาธิไม่ต้องการพิจารณาต้องการชาร์จแบตต้องการเติมพลังของอุเบกขาด้วยการให้มีอุเบกขาอยู่นานๆให้มันแช่อยู่ในนั้นให้นานๆจ น, น, นกว่ามันจะถอนออกมาเองพอมันถอนออกมาแล้วต้องบังคับให้มันพิจารณาอย่าปล่อยให้มันอยู่เฉยๆซื่อบื้อไปอย่างนั้นเพราะมันจะไม่เกิดปัญญา อย่านี้เรียกว่าติดสมาธิสมาธินี้เป็นเหมือนเศษเนื้อติดฟันสู้ปัญญาไม่ได้สมาธิเพียงแต่เป็นหินทับยากด ก, กิเลสไว้เวลาใดที่สมาธิหมดกำลังเวลานั้นก็จะเห็นลิธเดชของกิเลสตัณหาโผล่ออกมาถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่มีวันที่จะทำลายให้มันหมดไปได้ แต่ถ้ามีปัญญาแล้วใช้ดับกิเลสตัณหาได้พอดับมาแล้วมันก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปแต่มันมีหลายตัวไม่ตัวไหนที่เราดับมันได้ด้วยปัญญาแล้วตัวนั้นมันจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปแต่ถ้าดับด้วยสมาธินี้มันจะกลับมาใหม่กดมันไว้ชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาพอกำลังของสมาธิหมดมันก็จะโผล่ขึ้นมาก่อมามาก่อกวรมาสร้างความทุกข์ ให้แก่ใจของเราได้อีกเข้าใจไหม<ะ>อยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าเกิดแบบที่ถ้าเป็นมารจริงๆเนี่ยควรจะมีพระอาจารย์คอยแนะนำทางให้ใช่ไหมคะที่พูดถึงมานีน่มารข้างนอกหรือมารข้างในเราพูดถึงมารข้างในถ้ามารข้างนอกก็ต้องอย่างที่บอกเนี่ยต้องทำใจวางเฉยเขาไม่ชอบเราก็ดีแล้วเขามยังไม่ได่าเรา เขาด่าเราก็ดีแล้วเขายังไม่ตีเราคือไม่ต้องไปตอบโต้มานอย่าไปสู้กับมนับม น, มน <c oughs> แมวแอร์ลิงก็บ้าลิงหรืหมีหมีก็ดํำเหมือนคาว่ามาันเป็นคํา <c oughs> เปรียบเปรยไม่ใช่มีไม่มีตัวตนจริงๆไม่เหมือนหมีไม่เหมือนแมวไม่เหมือนนกมันไม่มีตัวตนอย่างนั้น มันเป็นคำพูดที่เกี่ยวกับส่วนที่ไม่ดีต่างๆภายในใจของเราหรือบุคคลที่เอาส่วนที่ไม่ดีในใจของตนออกมาระบายให้แก่ผู้อื่นเช่นเวลาโกรธแล้วก็ออกมาเพ่นพ่านมาด่าคนนั้นมาว่าคนนี้มาทุบทำลายข้าวทำลายของเนี่ยเขาเรียกว่าพกมารความจริงแล้วมันไม่มีตัวตนมันเป็นเป็นคุณสมบัติ ส่วนที่ไม่ดีที่มีอยู่ในภายในใจของคนเราอ่าอ่าถามต่อกาบนมัสการจชาค่ะเวลาปฏิบัติภาวนาก็จะตั้งลมตั้งแต่ภาวนานะคะอนาปานสติแล้วก็สังเกตลมกำกับด้วยพุทธโธค่ะก็ทําไปทําไปก็จะรู้สึกลมเบาเบาเบาไปเรื่อยๆก็พอมากำหนดดู ก็จะกลับมาหยาบใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็เหมือนที่อ่านหนังสือสมาธิภาวนาหลวงตาบอกว่าเหมือนกับปลูกต้นไม้พอจะได้ก็ถอนเอาไปย้ายใหม่มันก็เลยไม่ขึ้นก็ทำอย่างไงจะผ่านตรงนี้ได้ค่ะตอนที่บอกว่ามันมันละเอียดแล้วมันกลับมาหยาบนี้มันถึงมันกลับมาหยาบได้อย่างไรไปทําอะไรเข้า่ะหยุดดูค่ะก็ทำไมหยุดทําไมก็ดูมันต่อไปนี้ ดูไปเรื่อยๆมันละเอียดก็รู้ว่ามันละเอียดมันถึงแม้ว่ามันจะหายไปก็ก็รู้ว่ามันหายไปอย่าไปหยุดดูให้มีสติดูไปเรื่อยๆจนถ้าไม่มีลมเหลือให้ดูก็ให้ดูตัวรู้แทนตัวตัวดูแทนตัวที่กําลังดูลมอยู่เนี่ยมันก็จะเหลือตัวนั้นรู้แต่ตัวรู้ก็ให้สักแต่ว่ารู้ไป รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมรู้ว่ามีแต่ความว่างแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่อุเบกขาเองอย่าไปควานหาลมอย่าไปหายใจให้มันอยากขึ้นกลับคืนมาอย่าไปบังคับลมเข้าใจไหบางคนเวลาดูลมไปแล้วพอลมหายไปก็เกิดความกลัวขึ้นมาว่าเราไม่หายใจแล้วเดี๋ยวเราตายหรือเปล่าไม่มีลมหายใจแล้วท่านบอกว่าไม่ต้องไปกลัวตราบใดที่มีผู้รู้อยู่ รู้ลมอยู่นี้จะไม่มีตายไม่มีใครตายจากการดูลมหายใจเข้าออกเพียงแต่ว่าลมมันละเอียดจนกระทั่งเราไม่สามารถรับรู้มันได้เท่านั้นเองก็ให้รู้อยู่กับความไม่มีลมไปรู้อยู่กับความว่างไปถ้าเรารู้อยู่อย่างนี้จิตมันก็เดี๋ยวก็จะวุบลงไปเข้าสู่ความว่างอย่างเต็มที่ของมันอย่าอย่าไปถอนเข้ามาหาลมส่วนหยาบอย่ากลับมาหาลม ลมหายไปแล้วก็ปล่อยมันหายไปให้อยู่กับความว่างไปให้รู้เฉยๆไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะวุบลงไปเองแต่อย่าไปคาดนะถ้าไปคาดมันก็ปรุงแต่งขึ้นมานะให้รู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมแล้วก็รู้อยู่กับความไม่มีลมอยู่กับความว่างไปขออนาญาตครับพอครับคือผมก็พรนาะพุทโทรครับ นี้เวลานั่งภาวนาจริงๆเขียนให้ทราบว่าพอดีผมผมก็เปิดเทพของลุงตาฟังนะครับอาจจะสักกันหนึ่งหรือสองกันถ้าเป็นการนึ่งไม่เกินชั่วโมงนี้ก็ก็ก็ไม่มีอะไรสงบดีแต่ถ้าสมมติเกินชั่วโมงไปแล้วเวทนาเริ่มเกิดที่เคยใช้ก็คือดูดูดูรู้นี้ดูผู้รู้มันก็สงบเป็นช่วงๆความความปวดก็จะจะสงบไปพัก แล้วก็จะมาแรงขึ้นแรงขึ้นทีนี้วิธีที่จะเพ่งผู้รู้อย่างเดียวหรือจะเอาที่ตัวเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยอันไหนจะแยบยกว่าครับมันก็มีอบายสองสองวิธีด้วยกันคือถ้าเราอยู่กับผู้รู้ไปใจก็จะไม่คิดปรุงแต่งไม่คิดถึงเรื่องของเวทนาถ้าไม่เกิดความอยากให้เวทนาหายไป ใจก็จะรู้ไปเรื่อยๆเฉยได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอุบายขลังสมาธิถ้าเราอยากจะใช้อุบายของปัญญาเราก็ต้องพิจารณาตัวเวทนาเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นสิ่งที่เราไม่มีความสามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้ไปสั่งมันได้เหมือนกับฝนฟ้าอากาศ เวลาฝนตกนี่เราจะไปสั่งให้ฝนหยุดก็หยุดไม่ได้ถึงแม้เราอยากจะไปทำอะไรตอนนั้นเราทำไม่ได้เราก็ต้องอยู่เฉยๆไปอยู่กับมันไปคือเราอย่าไปให้มีความอยากให้เวทนานั้นหายไปโดยอย่าไปเกิดความเกลียดความกลัวเวทนานั้นอยากจะหนีจากความเจ็บอ น, นั้นไป ให้รู้ว่าความเจ็บอันนั้นเราสามารถอยู่กับมันได้รับรู้มันได้มันจะเจ็บขนาดไหนถ้าเรารู้เฉยๆมันจะไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไปอยากให้มันหายไปหรืออยากจะหนีจากมันไปเนยมันจะทําให้เราอยู่กับมันไม่ได้เพราะมันจะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาที่เราทนไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายแต่ความอยากที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แล้วเราต้องมาคอยดูที่ใจว่าเราผลิตความอยากขึ้นมาหรือเปล่าอยากให้มันหายหรือเปล่าหรืออยากจะลุกหนีมันไปหรือเปล่าถ้าเกิดความอยากทั้งสองส่วนนี้ถ้าเราสามารถาหยุดมันได้ด้วยการสอนใจว่าหนีมันยังไงก็หนีไม่พ้นเดี๋ยวมันก็ตามมาใหม่ชู่อยู่กับมันไปให้ได้ดีกว่าอยากไปอยากให้มันหายพออยู่ด้วยกันได้แล้วพอจิตเข้าใจแล้วมันก็จะปล่อย มันจะหยุดความอยากแล้วมันก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาบางทีเวทนาก็หายไปบางทีก็ไม่หายไม่หายก็อยู่กับมันได้อย่างสบายอันนี้เป็นอุบายของปัญญาถ้าอุบายของสติของสมาธิก็ให้อยู่กับตัวรู้หรือให้อยู่กับพุทโธไปบริกรรมพุทโธพุทโธไปยาให้ไปคิดถึงความเจ็บ พอใจไม่ไปคิดถึงความเจ็บความอยากก็ไม่เกิดความทุกข์ก็จะไม่มีใจก็สงบลงได้แต่มันก็ต้องทำอย่างนี้ไปทุกรอบเวลาเจอความเจ็บแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาต่อไปเวลาเจอความเจ็บมันก็จะปล่อยวางจะเฉยเฉยเหมือนกับว่าเอ้ามาแล้วเหรอเอามาก็มาอยู่กันไปเดี๋ยวก็แยกกันไปคิดอย่างนี้ วันนี้ก็มีคำถามพอสมควรนวนะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปศึกษาไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจ้าเพื่อความก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิร์น